จเจริญอนท่านสาธุชนพุทธบริษัทอบาสุอบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช5 5งเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาศึกษามาปฏิบัติเพื่อเป็นการสร้างสาระที่พึ่งให้แก่จิตใจสาระที่พึ่งของใจก็คือพระรัตนตรัมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ถ้าผู้ใดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งแล้วผู้นั้นก็จะแท้คลาดปลอดภยัย จากทุกภัยอันตรายทั้งหลายจะมีแต่ความร่มเย็ยนเป็นสุขมีแต่ความเจริญก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวดังนั้นพุทธศาสนิกชนถึงถือการยึดพระราชนตรัยเป็นสาระเป็นที่พึ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญของการประพืชปฏิบัติ ตามหลักพระธรรมคำสอนของภรษาศาสนาแต่สาระที่พึ่งของพวกเราที่เรารู้จักกันนี้เป็นสาระภายนอกยังไม่ได้เป็นสาระภายในสาระที่แท้จริงนั้นต้องเป็นสาระภายในคือสาระที่ยิบมีอยู่ในใจของเราตลอดเวลา สระนาที่เรากราบไหว้บูชาหรือรู้จักกันนี้จะเป็นสระนภายนอกเช่นพระพุทธรูปเราเห็นพระพุทธรูปเราก็กราบเราก็ไหว้และเราก็ยึดเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมคำสอนที่จะไว้ในพระไตรปิฎกก็ดีในหนังสือธรรมะต่างๆก็ดีก็เป็นพระธรรม เป็นธรรมะสารนังกระฉามิเป็นที่พึ่งทางใจและพระสงฆ์ที่เรากราบไหว้กันที่โกลศีสะผมเหลืองผมผ้าเหลืองเหล่านี้ท่านก็เป็นพระสงฆ์เป็นสาร ะ, ะภายนอกท่านยังไม่ได้เป็นสาร ะ, ะที่แท้จริงของพวกเราเพราะสาระที่แท้จริงนั้นต้อง เกิดขึ้นภายในใจของเราโดยอาศัยสาระภายนอกเป็นผู้บอกทางเป็นเหมือนผู้ชี้ทางเป็นผู้สอนให้เราได้เข้าถึงสาระภายในสาระภายในก็คือพุทธธรรมะและสังขะต้องเกิดจากการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็นำเอาคำสอนนั่นมาประพฤติมาปฏิบัติให้เป็นสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจิปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นธรรมภายในใจเห็นธรรมมังสรานรนามกฉามิปรากฏขึ้นมาภายในใจก็คือการที่ได้บรรลุ ทำขั้นต่างๆนี้เองตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นอรหันต์เรียกว่าเป็นการมีแสงสว่างแห่งธรรมเป็นการบรรลุธรรมเป็นการมีธรรมะเป็นสรณะที่แท้จริงและผู้ที่ได้บรรลุธรรมได้เห็นธรรมนั้นก็ถือว่าได้ถึงพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันคือ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นตถาคตนี่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะพบพระพุทธเจ้าอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปที่ประเทศอินเดียเพราะที่นั่นไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นซากของสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่หรือพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้ก็ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเพียง องค์แทนเป็นตัวแทนเป็นภาพแทนพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่จะไม่สามารถปกป้องคุ้มครองรักษาใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆได้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าภายในที่เกิดจากการบรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไป สโสดาบรรสติกาดาคามีอนาคามีและอาหารหันต์นี่คือทรสี่ขั้นด้วยกันที่เป็นสรณะที่แท้จริงเป็นสรนณะกะัจฉามิและผู้ที่ได้ถึงสรณะดีคือได้เห็นธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนยายะสามีจิ ปฏิปันโนนี่เองก็คือสังฆรัตนะนี่เองก็คือพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ผู้ที่บรรลุถึงอริยธรรมข่านต่างๆก็กลายเป็นพระอริยบุคคลข่านต่างๆตามมาก็คือพวกเรานี่เองที่จะเป็นสาระนะเป็นที่พึ่งของเราเองด้วยการบรรลุธรรมด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเราก็จะบรรลุทำขั้นต่างๆพอเราได้บรรลุทำขั้นต่างๆเราก็จะเป็นพระอริยขั้นต่างๆนั่นเองนี่คือพระสังฆรัตนะที่แท้จริงคือพระอริยที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเรา พระอริยะที่เราไปกราบบูชาตามวัดต่างๆนั้นยังไม่ได้เป็นพระอริยะของเราท่านเป็นของท่านแต่ท่านไม่สามารถมาเป็นให้กับเราได้เราต้องสร้างพระอริยะขึ้นมาด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเริ่มต้นด้วยที่ศรัทธาคือความเชื่อเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริง เชื่อว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสั่งสอนที่ถูกต้องตามหลักของความเป็นจริงเชื่อว่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะสามารถบรรลุ ถ, ถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุ ถ, ถึงได้อย่างแน่นอนนี่คือหลักของศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาเชื่อเพื่อที่จะทำให้เราเกิดความ วิริยะอุตสาหะที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอามาปฏิบัติกับเราพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนอย่างหลากหลายด้วยกันถ้าในพระไตรปิฎกนี้ก็มีถึง8ปดหม่สพันพระธรรมขันธ์แต่โดยสรุปแล้วก็สามารถ รวมได้สาหัวข้อใหญ่ๆด้วยกันคือให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม 2. ให้ละบาป ท, ทั้งปวง 3. ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระความโลภความโกรธความยงที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนี่คือหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนหน้าที่ของผู้ที่ปรารถนา ที่จะมีพระรัตนตรยัยคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไว้ปกป้องคุ้มครองรักษาใจให้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ใจนั้นมีที่พึ่งอย่างแท้จริงทางอื่นไม่ใช่ทางไม่ใช่ที่พึ่งของใจ เส้นทางที่พวกเราหลงกันไปหากันคือทางแห่งลาบยตนสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี่ไม่ใช่เป็นสาระเป็นที่พึ่งของใจเป็นที่พึ่งได้เพียงของกายและของกิเลสของกายก็คือเรามีร่างกายถ้าเรามีเงิน เราก็สามารถที่จะซื้ออาหารมารับประทานซื้อเสื้อผ้ามาสวมใส่ซื้อบ้านมาอยู่ซื้อยารักษาโรคมารักษาร่างกายแต่จะไม่สามารถรักษาความทุกข์ทรมานใจได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีก็ยังหนีไม่พ้นความทุกข์ทรมานใจความวุ่นวายใจความเดือดร้อนใจ ความกังวลกังวยความกระสักะ์กระสาความวิตกกังวลความหวาดกลัวเหล่านี้เป็นความทุ้มของใจที่เงินทองกองเท่าภูเขาจะไม่สามารถป้องกันให้มากระทบกับใจได้เช่นเดียวกับยศคือตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งในระดับไหนก็ตาม จะทางโลกหรือฐานพระก็ตามทางโลกจะเป็นนายพลจะเป็นนายกจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นผู้จัดการใหญ่ทางธรรมก็จะเป็นพระครูเป็นพระเจ้าคุณระดับต่างๆเป็นสมเด็จเป็นพระสังฆราชยศเหล่านี้ก็จะไม่สามารถที่จะมาปกป้องความทุกข์ต่างๆ ไม่ให้มาเหยียบย่ำจิตใจได้เป็นสังฆราชก็ยังทุกข์ได้เป็นนายผลก็ยังทุกข์ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ยังทุกข์ได้เพราะเขาไม่สามารถที่จะปกป้องความทุกข์ไปในใจได้นั่นเองความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นโน้นโพธภก็เช่นเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะ ป้องกันความทุกข์ต่างๆให้เข้ามาเหยียบย่ำจิตใจได้ต่อให้ได้ไปเสพมากน้อยเพียงไรก็ตามก็ยังจะมีความทุกข์เข้ามารบกวนใจอยู่เสมอคนที่มีเงินสามารถซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้ เพียงแต่เอาความสุขจากการเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นเล่มากลบความทุกข์เท่านั้นเองเช่นเวลาไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจก็ไปเดินเที่ยวตามห้างต่างๆไปซื้อข้าวซื้อของ ม, มาก็จะลืมความทุกข์ไปได้ชั่วคราวเดี๋ยวไม่นานความทุกข์นั้นก็จะกลับมาอีกหรือจะไปเที่ยวตามบาตามผับไปดูหนังไปฟังเพลงก็จะลืมความทุกข์ไปชั่วคราว แล้วเดี๋ยวไม่นานความทุกข์นั้นก็จะกลับมาเพราะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสผดอภานี้ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้ความทุกข์ภายในใจนี้จะดับได้ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็คือให้ทำความดีให้ถึงพร้อมให้ละบาป ท, ทั้งปวง และให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือวิธีที่จะป้องกันความทุกข์ต่างๆหรือกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจว่าความทุกข์นี้ไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกความทุกข์นี้เกิดจากสิ่งภายในความทุกข์เกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเกิดจาก กิเลสเครื่องเศร้าหมองนี่เองกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงและวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ก็ต้องกำจัดกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเท่านั้นถึงจะสามารถทำให้จิตใจไม่มีความทุกข์ได้ดังนั้นเป้าหมายของพวกเราจึงควรที่จะมาทางนี้คือมาทาง การทำความดีการละบาปและการชาระใจให้สะอาดโดยสุดไม่ใช่ไปทางลาบยศสาร เ, เสริญสุขถ้าไปทางนั้นก็ถือว่าหลงทางจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราทุกคนต้องการกันก็คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความทุกมาเกี่ยวข้องด้วยความสุขที่ไม่มีความเสื่อมความสุขที่ถาวร ถ้าเราไปทางลาบยศสารเสริสสุขเราก็จะได้ความสุขที่ไม่แท้จริงความสุขที่มีความทุกข์มาเกี่ยวข้องด้วยความสุขที่ไม่ถาวรพวกเราก็คงจะเห็นกันอยู่เราหาความสุขกันมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้แล้วเราก็ยังต้องหาต่อไปอยู่เพราะความสุขที่เราหามาได้นั้นมันจางหายไปหมดนั่นเองเหมือนควันไฟ พอควันไฟนี่ลอยออกมาทางอากาศได้ไม่นานมันก็จะละลายจางหายไปหมดความสุขที่เราได้จากราบยศเสริญสุขก็เช่นเดียวกันเวลาได้มาใหม่ๆก็ดีอกดีใจมีความสุขเลี้ยงฉลองกันใหญ่พอสองสามวันต่อมาความสุขเหล่านั้นก็หายไปต้องไปหาความสุขใหม่เราหากันมาอย่างนี้มาตั้งแต่วันเกิด จนถึงวันนี้เราก็ยังต้องหากันอยู่น่าจะต้องหากันต่อไปจนถึงวันตายและหลังจากที่ตายไปแล้วก็ยังต้องไปหาความสุขกันอีกกลับมาเกิดใหมอ่อีกแล้วก็มาหาความสุขกันใหม่หาไปอย่างนี้ในขณะที่หาก็ต้องต่อสู้กับความทุกข์ต่างๆทุกข์ที่เกิดจากการแสวงหาการแข่งขันการต่อสู้ เพื่อให้ได้ความสุขมาแล้วก็ต้องมารักษาต้องมาคอยหวัวมคอยห่วงคอยดูแลก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งแล้วพอสูญเสียไปหรือจากสิ่งที่รักไป <c oughs> ก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจนี่คือทางที่พวกเรากำลังไปกันถ้าเราไปสู่การแสวงหาราบยศสนเสริญสุด แต่ถ้าเรามาทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มาให้ทำความดีเช่นการให้ทานวันนี้ญาติโยมมาทำความดีด้วยการนำข้าวของต่างๆมาถวายพระเรียกว่าเป็นการทำความดีมาฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการทำความดีเพราะก่อนที่เราจะปฏิบัติก่อนที่เราจะรู้ว่า ทำอย่างไรให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราก็ต้องรู้จักทางก่อนรู้จักวิธีก่อนเหมือนการทำกับข้าวก่อนที่เราจะทำกับข้าวเป็นเราก็ต้องเรียนก่อนต้องไปเรียนกับแม่ครัวหรือพ่อครัวถามเขาว่าวิธีทำกับข้าวชนิดนี้ทำอย่างไรพอเขาสอนเราแล้ ว, ลวเราก็เอาไปทำดู ตอนต้นอาจจะทำผิดผิดถูกถูกอาจจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรแต่พอทำไปบ่อยๆเข้าก็จะได้ผลที่เราต้องการอย่างแน่นอนเพราะเกิดจากประสบะการณ์นั่นเองครั้งนี้ทำไปอาจจะเค็มไปหน่อยครั้งหน้าทำไปอาจจะหวานไปหน่อยครั้งต่อไปอาจจะดิบไปหน่อยหรือสุกไปหน่อย เราก็ค่อยๆปรับวิธีการทํามาทํากับข้าวของเราไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะได้กับข้าวที่เราต้องการฉัน้นใดการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันเราก็ต้องศึกษาก่อนศึกษาว่าการทําความดีนั้นมีอะไรบ้างการละบาปนี้มีอะไรบ้างการชําระ ใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ทำอย่างไรบ้างต้องศึกษาไปทีละขั้นทีละตอนแล้วทาไปค่อยๆทาไปจากง่ายไปหามากจากมากจากง่ายไปหายากจากน้อยไปหามากถ้าเราจะทำแบบทันทีทันใดทำของยากแล้วทำให้มากนี้เราก็จะไม่สามารถทาได้ และจะเกิดความท้อแท้ได้เช่นตอนนี้จะให้มบวชเลยนี้ก็คงยังจะทำไม่ได้กันเพราะยังต้องไม่สามารถรักษาศีลถึง227ข้อได้ยังไม่สามารถตัดกิเลสตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราก็ต้องค่อยๆทำไปก่อนขั้นต้นท่านก็สอนให้เราเสียสละของที่เราไม่มีความจำเป็น ของที่เราไม่ได้ใช้เก็บไว้ก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเกะกะลบลโบ้านช่องไปเปล่ า, าลองนั่งพิจารณาดูมีอะไรบ้างเช่นรองเท้าเรามีกี่คู่เสื้อผ้าเรามีกี่ชุดที่เราไม่ได้สวมใส่มาเป็นเวลาเป็นเดือนเป็นปีเก็บไว้ทำไมเอามาแจากจ่ายให้คนที่เขาไม่มีจะดีกว่า เป็นการทำความดีจะได้บุญคือบุญก็คือความสุขใจบุญนี่แหละจะเป็นตัวที่จะไปเบียดความทุกข์ให้ออกไปจากใจของเราบุญนี้เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นเวลาเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเราจะมีความรู้สึกอบอุ่นใจมีความสุขใจความทุกข์ความกังวลใจก็หายไป เช่นกังวลว่าเสือ้อผ้าของเราข้าวของของเราเราจะทำอย่างไรกับบันดีเก็บไว้มันก็เกะกะเวลาไปไหนก็ต้องคอยห่วงคอยห่วงถ้าเกิดมีใครมารักขโมยไปก็จะเสียดายเสียใจสู้เอาไปทำบุญดีกว่าเอามาสร้างความสุขใจดีกว่าพอเราเสียสละข้าวของเสือ้อผ้ารองเท้าที่เราไม่ได้ใช้ ให้แก่ผู้อื่นไปแล้วความทุกข์ความกังวลใจกับเสื้อผ้ากับข้าวของเหล่านั้นก็จะหมดไปเราเสียความเราเสียเสื้อผ้าไปเสียข้าวของไปเราก็เสียความทุกข์ไปด้วยเสียความกังวลใจไปด้วยและเราได้ความสุขความเบาใจมาเป็นสิ่งตอบแทนนี่คือการทําความดีทําประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่น ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามจะให้ข้าวของเงินทองก็ได้จะช่วยเหลือเขาให้เขาได้มีงานมีการทำก็ได้ให้เขามีความรู้เพื่อที่เขาจะได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ได้เช่นเราสอนให้คนรู้จกักตัดผ้าเย็บผ้าทำกับข้าวเขาก็สามารถเอาไปประกอบอาชีพที่สุดเจริต ให้มีรายได้ได้เหล่านี้เรียกว่าเป็นการทำความดีคือทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนเองทำไปแล้วก็จะทำให้ความทุกข์ภายในใจของเรานั้นเบาบางลงไปขั้นที่สองพระพุทธเจ้าสงสอรว่าไม่ให้ทำบาปก็คือไม่ให้ไปทำร้ายผู้อื่นนั่นเองท่านสอนให้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้ว ล้วยังต้องไม่ไปทำร้ายผู้อื่นด้วยไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเช่นไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาโดยที่เขาไม่อนุญาตหรือไปเอาสามีภรรยาบุตรธิดาของผู้อื่นมาโดยเขาไม่อนุญาตหรือไปโกหกหลอกลวงไปสร้างความทุกข์ให้กับเขาอย่างนี้ก็ไม่ควรทำ หรือไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นนี่คือการจะสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาภายในใจเวลาเราไปทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วใจของเราจะเกิดความหวาดกลัวเกิดความกังวลเกิดความวิตกกลัวว่าจะถูกจับเอาไปลงโทษหรือจะถูก ทำร้ายด้วยวิธีการต่างๆเพราะเราไปทำร้ายกับเขาแล้วเขาย่อมมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเขาก็อยากจะกลับมาทำร้ายเรานั่นเองแต่ถ้าเราไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จะไม่มีผู้อื่นมาคิดทำร้ายเรามาเบียดเบียนเราอันนี้เป็นหลักธรรมดาเราไม่อยากจะไปทำร้ายใคร แต่ถ้ามีใครมาทำร้ายเราเราก็จะเกิดความรู้สึกอยากจะทำร้ายเขาขึ้นมาทันทีนี่เป็นธรรมดาดังนั้นถ้าเราสามารถรักษาศีลได้เช่นวันนี้เรามารักษาศีลห้ากันละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาเราก็จะทำให้ใจของเรานี้ ไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้กระทำเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจนี้เองนี่ก็เป็นการดับทุกข์อีกระดับหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็ยังต้องดับเพิ่มมากขึ้นไปกว่า น, นี้เพราะการทำความดีและการละบาสนี้ ยังไม่สามารถดับความทุกข์ให้หมดไปได้หมดดับไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งถ้าเป็นต้นไม้ก็เหมือนกับตัดกิ่งไม้ตัดใบทิ้งไปแต่ยังไม่ได้ตัดต้นยังไม่ได้ถอนต้นออกมาจากดินยังไม่ได้ถอนรากถอนโคนทิ้งต้นไว้สักระยะหนึ่งไม่นานเดี๋ยวก็จะงอกออกมาใหม่ เดี๋ยวก็จะมีกิ่งก้านใบงอกออกมาใหม่จันใดการทำบุญให้ทานการรักษาศีลก็เป็นเหมือนการการตัดกิ่งก้านใบของความทุกข์แต่ยังไม่ได้ไม่ได้ตัดต้นยังไม่ได้ถอนรากของความทุกข์รากหรือต้นของความทุกข์นี้ก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่เองเราเพียงแต่ ได้ทำให้มันเบาบางลงไปเช่นเรามีเงินแทนที่เราจะเอาเงินไปซื้อของที่เราอยากได้เช่นซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่เราก็เอาเงินนี้มาให้คนอื่นมาช่วยเหลือคนอื่นเช่นมาทำบุญในวันนี้เราก็ตัดความโลภไปได้ในระดับหนึ่งทำให้ความโลภนี้น้อยลงไปถ้าเราเอาเงินนี้ไปซื้อของที่เราอยากได้ ความโลภนี้ไม่น้อยลงไปแต่กาบจับนี้เพิ่มมากขึ้นไปอีกคราวหน้าอยากจะได้มากกว่านี้คราวนี้ซื้อมาสองชุดเดี๋ยวคราวหน้าอยากจะได้สักสี่ชุดเพราะความโลกมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะซื้อเสื้อผ้าสองชุดนี้มาทำบุญคราวหน้าแทนที่อยากจะซื้อสองชุดอาจจะซื้ออยากจะซื้อเพียงชุดเดียวหรือไม่อยากจะซื้อเลยเ <c oughs> พรารู้ว่า มันไม่เกิดประโยชน์ทางด้านจิตใจเหมือนกับการเอาไปทำบุญให้ทานต่อไปก็อยากจะทำบุญให้ทานไปไเรื่อยๆความโลภ ก, ก็จะน้อยลงไปพอความโลภน้อยลงไปความโกรธก็จะน้อยตามลงไปเพราะความโกรธนี่ก็เกิดจากความโลภนี่เองเวลาโลภแล้วไม่ได้ก็จะโกรธขึ้นมา ท, าทันทีเช่นอยากจะได้เสื้อผ้าชุดนี้แล้วไม่ได้อย่างนี้ก็จะโกรธความโกรธขึ้นมา ไปขอยืมเงินเพื่อนเพื่อนไม่ยอมให้เราก็จะโกรธเพื่อนเพราะเราอยากจะได้อยากจะซื้อเสื้อผ้าชุดนี้แต่เราไม่มีเงินพอเราก็ไปยืมเงินเพื่อนแต่เพื่อนไม่ยอมให้เราอยู่เราก็โกรธเพื่อนหาว่าไม่ใช่เป็นเพื่อนรักไม่ใช่เป็นเพื่อนที่แท้จริงแต่ถ้าเราไม่โกรธถ้าเราไม่โลภเราไม่อยากได้เราก็ไม่ต้องไปยืมเงินเพื่อนเราก็ไม่ต้องไปโกรธเพื่อน เพื่อนเขาก็จะไม่ต้องมาโกรธเราไม่ต้องมาเกลียดกันโกรธกันความโลภนี่มันทำให้เกิดความโกรธตามมาดังนั้นเราต้องพยายามตัดความโลภด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลเวลาเราโกรธใครเราอยากจะทุกทําร้ายใครหรือเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราต้องไปลักขโมยอย่างนี้มันก็จะทำให้ความโลภนั้นมีมากขึ้น แล้วก็จะทำให้เกิดความทุกข์มากขึ้นไปภายในใจด้วยแต่ถ้าเราโลภแล้วแต่เราไม่ทำเรารู้ว่าผิดศีลไปลักขโมยไม่ได้เราก็ไม่ทำอย่างนี้ความโลภมันก็จะไม่สามารถที่จะเจริญงอกงามได้มันก็จะเหมือนถูกตอนมันก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเราเอาการชำระ คือวิธีอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่าภาวนาที่จะสามารถชำระกําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปได้อย่างถาวรก็เหมือนกับการตัดต้นไม้ตอนต้นเราก็ต้องตัดกิ่งตัดใบก่อนแล้วค่อยมาตัดต้นแล้วค่อยมาถอดรากเช่นเดียวกับการกําจัดความโลภความโกรธความหลงตอนต้นเราก็ทําบุญให้ทานรักษาศีลไปก่อน ทีนี้เราก็ต้องมาตัดต้นมาถอนรากแล้วด้วยการภาวนาภาวนานี้จะทำให้เราสามารถตัดตัวกิเลสให้สั้นลงไปได้ให้น้อยลงไปได้จนเหลือแต่รากแล้วเราก็สามารถถอนมันขึ้นมาได้การภาวนานี้ก็มีสองขั้นด้วยกันคือสมถ า, าภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ขั้นต้นก็ทำสมถภาวนาก่อนเป็นการฉีดยาสลบให้กับกิเลสเหมือนกับเวลาที่เราจะทาการผ่าตัดร่างกายก่อนที่เราจะผ่าตัดร่างกายได้เราต้องวางยาสลบคนไข้ก่อนไม่เะนั้นเดี๋ยวคนไข้จะดิ้นเวลาผ่าโดยที่ไม่มียาสลบคนไข้จะเท็มจะทนความเจ็บปวดไม่ได้ก็จะต้องดิ้นหมอจึงต้องให้ยาสลบก่อน การทำสมาธิก็เป็นการให้ยาสลบกับความโลภความโกรธความหลงนี่เองเพราะขณะที่ทำสมาธิจิตสงบนิ่งลงไปไม่มีความคิดก็จะไม่มีความโลภความโกรธความหลงเพราะความโลภความโกรธความหลงต้องอาศัยความคิดเป็นเครื่องมือเวลาคิดปั๊บมันก็จะคิดอยากได้นั่งยิบคิดอยากได้นี่ขึ้นมานี่ก็เป็นความโลภ แต่พอจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิไม่คิดอะไรมันก็ไม่สามารถที่จะโลภจะอยากได้พอไม่มีความโลภความอยากในขณะที่อยู่ในสมาธิ mm hmm. ก็จะมีแต่ความอิ่มมีความสุขมีความพอก mm hmm. ิเลสก็เหมือนกับถูกฉีดยาสลบพอเราออกจากสมาธิเราเริ่มคิดแล้วตอนนั้นกิเลสยังมงวเงียอยู่ยังไม่ตื่นเหมือนกับคนที่เพิ่ง <c oughs> ออกจาก ยาสลบแต่ยังไม่มีกำลังตอนนั้นก็เป็นเวลาที่เราสามารถที่จะตัดความโลภตัดความหลงได้ด้วยการเจริญวิปัสสนาคือสอนกิเลสสอนใจให้รู้ว่าสิ่งที่ใจอยากได้นั้นมันไม่ได้มีความสุขมันไม่เป็นมันไม่จรังถาวรและมันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็จะต้อง สูญหายไปหมดไปต้องคืนเขาไปในที่สุดจะไม่อยู่คงเส้นคงวางเหมือนเดิมจะไม่ใหม่ไม่ดีไปตลอดเวลาได้อะไรมาใหม่ๆก็จะดีจะสวยแต่พอได้ไปไม่นานก็จะเก่าจะแกะ่จะไม่สวยไปจะไม่ได้ให้ความสุขไปตลอดให้ความสุขตอนได้มาใหม่ๆแต่พอไม่นานก็จะกลายเป็นความทุกข์ไป ก็จะต้องคอยดูแลรักษาจะต้องคอยห่วงคอยห่วงคอยกังวลต้องสอนใจอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเวลาอยากจะได้อะไรก็สอนว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ดีมันไม่สุขมันไม่ใช่ของเรามันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดให้คิดอย่างนี้เป็นการสอนใจให้ให้ดับความโลภความอยากได้ พอเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้ไม่ดีอย่างที่เราคิดแทนที่คิดว่าจะเป็นปลาไหลกับเป็นงูพิษอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่ปลาไหลเราก็ไม่กล้าจับมันถ้าเรารู้ว่ามันเป็นงูพิษเราก็จะไม่จับมันฉันไดสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราความจริงมันจะให้ความทุกข์กับเรามากกว่าถ้าเรารู้เราก็ไม่อยากได้เช่นอยู่คนเดียวนี้ความสุขมากกว่าอยู่สองคน พออยู่กับอีกคนหนึ่งแล้วก็ต้องมาทุกกับอีกคนหนึ่งแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องทุกกับคนนั้นต้องคิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะไม่กล้าจะไม่อยากได้อะไรมาเพราะได้อะไรมาก็จะได้ความทุกข์มานั่นเองนี่คือการตัดความโลภความอยากได้อย่างถาวรด้วยปัญญาเพราะความอยากได้ความโลภนี้เกิดจากความหลง การหลงเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองเห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขเห็นงูพิษว่าเป็นปลาไหลนั่นเองพอไปจับงูพิษเข้าก็ถูกงูพิษกัดเพราะคิดว่าเป็นปลาไหลเพราะคิดว่าจะเป็นอาหารแทนแต่หารู้ไมมว่ากลายเป็นเพชฌฆาตไปเช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พวกเราหลงเห็นผิดเป็นชอบกันทั้งนั้นเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นทุกข์ว่าเป็นสุข เห็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรว่าจีรังถาวรเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นตัวเรานั่นเองเป็นของเราเราจึงต้องทุกข์ร้องห่มร้องไห้เวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปแต่ถ้าเรามีปัญญามีวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรที่อยากจะได้มาไว้เป็นสมบัติ เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะเราจะไม่เอาความทุกข์เข้ามาแบกมาหามมาเป็นสมบัตินั่นเองนี่คือการถอดถอนความโลภความโกรธความหลงอย่างถาวรการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างถาวรต้องชำระด้วยการภาวนาส ม, มถะและวิปัสสนาภาวนาพอเราชำระได้แล้วใจของเราก็จะบรรลุธรรมขึ้นมา เห็นธรรมพอเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้ารู้แล้วว่าใจของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ความบริสุทธิ์ใจของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรความบริสุทธิ์ใจของเราก็เป็นอย่างนี้เป็นเหมือนกันเราก็ได้กลายเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาในขณะเดียวกันเราก็จะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่<ม>ภายในใจของเราตลอดไปเป็นที่พึ่งทางใจ จะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมาอีกต่อไปไม่มีวันที่สิ้นสุดนี่คือการสร้างสาระที่แท้จริงต้องสร้างด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติจนบรรลุเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาภายในใจเราก็จะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระที่แท้จริงอย่างถาวรตลอดไป จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างสรรณที่พึ่งทางใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรธตนเตริ